หลักปฏิปทาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มันได้พาดำเนินมาเป็นปฏิปทาที่ราบรื่นดีงามสม่ำเสมอมากหาที่ต้องติไม่ได้เพราะท่านเดินดำเนินตามหลักธรรมหลักวิในอย่างแท้จริงหลักธรรมหลักวิในเครื่องดำเนิน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 นั่นแ่ะจะถึงฝั่งด้วยความปลอดภัยการดำเนินปฏิปทาตามหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินและเห็นผลเป็นที่พอพระทัยมาแล้วได้สั่งสอนไว้นี่แหละเป็นทางที่ราบรื่นดีงามต่อความพ้นทุกข์โดยไม่ต้องสงสัย ผลที่จะพึงได้รับไปตามการตามเวลาที่ประกอบความดีทั้งหลายนั้นก็เป็นเครื่องสนับสนุนกันไปโดยลำดับสำหรับผู้ต้องการความหลุดพ้นโดยไถ่เดียวเท่านั้นย่อมเห็นศาสนาธรรมและการดำเนินตามเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด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 ผลที่ได้ถึงความเป็นศาสดาเอกของโลกก็ออกมาจากการดำเนินตามนี้ไม่ผิดเพี้ยนจิ่งได้สั่งสอนสัตว์โลกด้วยความแน่พระไท ย, ยและเป็นสวาขาธรรมจัดไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมผู้อยากจะเห็นการดำเนิน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 ไม่ว่าจะดําเนินเพื่อความสวยงามทั่วไปในวงพระศาสนาและความเป็นศาสดาก็ตามและไม่ว่ากรณีใดก็ตามนับตั้งแต่สั่งสอนสัตว์โลกในขั้นพื้นๆจนกระทั่งถึงขั้นมีมุดหลุดพน้นย่อมเป็นไปตามพระอาว่าที่ทรงแสดงออกแล้วนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจะพูดว่า พระอุบาทคำสั่งสอนทั้งมวล น, นี้เป็นพระอาการแห่งความเคลื่อนไหวขององค์ศาสดาก็ไม่ผิดเพราะตามหลักธรรมชาติของศาสดาแล้วย่อมจะเป็นแบบฉบับของโลกอยู่ตลอดเวลาไม่ทรงละเว้นพระอาการความเคลื่อนไหวที่ผิดเพี้ยนไปจากองค์ศาสดานั่นเลยผู้ดำเนินตามก็ยึด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 ด้วยเหตุนี้ผู้ที่ยึดเอาหลักปฏิปทาการดำเนินของท่านไปประพฤติปฏิบัติจึงเป็นผู้ราบดื่นดีงามสม่ำเสมอไม่แสลงตาแสลงใจแก่ผู้ได้เห็ น, ไ ด, หนได้ยินแม้ตัวเองก็ไม่มีความคึกความขนองใดๆที่นอกเหนือไปจากหลักธรรมหลักวินยัยตัวเองก็เย็นใจ อยู่ด้วยกันจํานวนมากน้อยต่างคนต่างถือหลักศาสดาคือพระธรรม น, นิยมเป็นแบบฉบับเป็นหัวใจเป็นกิเลสแห่งความเคลื่อนไหวแล้วจะเป็นความร่มเย็นเป็นสุขด้วยกันดังพระสาวกท่านมีจํานวนร้อยร้อยพันพันหมื่นหมื่นแสนแสนองค์ก็ไม่เคยได้ยินเลยว่าพระอรหันตเหล่านั้น มีการทะเลาะเบาแหว่งขัดแย้งกันเรื่องความรู้ความเห็นไม่ลงรอยกันหนนี้ไม่ปรากฏแม้รายหนึ่งเลยในตำรับตำลานี่เป็นเครื่องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทำแท้นี้เมื่อได้เข้าถึงใจแล้วย่อมเป็นความแท้จริงอยู่ตลอดเวลาไม่เคลื่อนไหวจากนั้นสู่ความจำเปอมแม้แต่น้อยเลยพอที่จะให้เกิดความทะเลาะเบาแหว่งหรือขัด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 จะละ แ, งแลงระแวงแข่งใจต่อกันแม้นิดหนึ่งไม่มีเลยนี่ละทำแท้เมื่อได้เข้าสู่จิตใจใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วย่อมเป็นเช่นนั้นครูบาอาจารย์ที่พาดำเนินมาก็ขอให้ได้ต้นหนักพาในจิตใจของเรายึดไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์แห่งการปฏิบัติอย่าเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด ว่าเป็นสิ่งที่จะดีเลิศหรือแปลกประหลาดยิ่งกว่าอัดกว่าทำที่ท่านพาดาเนินมาจะเป็นความเสียหายแก่ตนไปวันละเล็กละน้อยเมื่อน า, นานเข้าไปก็กลายเป็นนิสัยและฝังลึกแก้ไม่ตกหรื อ, ห ร, อหรือไม่สนใจที่จะแก่นี่แหละความผิดพลาดอันเป็นเรื่องของจิเลแสแทรกเข้าไปแทรกอย่างนี้เองแทรกอัดแทรกทำเราอย่ามองดูที่อื่นที่ใด อันเป็นสถานที่จะแทกขึ้นมาแห่งกิเลสและเกิดขึ้นแห่งธรรมทั้งหลายพึงดูที่ใจของเหล่านี้แห่งเดียวเป็นสำคัญกระจายออกไปข้างนอกก็ดูเพื่อจิตใจจิตใจส่งกระแสไปในเรื่องใดยิดใดใการใดอารมณ์ใดให้พึงสอดส่องมองดูด้วยสติพิจิจพิจารณาด้วยปัญญาเพื่อความไกรกรองหรือกันกรอง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 ฝังลึกอยู่แล้วภายในจิตใจจึงแสดงได้ทุกเวลาเนื่องจากมีความคล่องตัวอยู่แล้วอาจทำยังไม่ทันกันจึงมักจะเผลอไปตามอาการทั้งหลายที่แสดงออกอยู่เสมอนี่หละการบำเพ็ญของเราที่ก้าวเดินไม่ได้สะดวกเพราะมีอุปสรรค หยุดวามอยู่ตลอดเวลาโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้ทั้งทั้งที่เข้าใจว่าตนได้สังเกตและเข้าใจว่าตนประกอบความภาคเพียนในขณะเดียวกันกิเลสที่ไม่ว่าภาคเพียนมันเพียรของ ม, มันอยู่แล้วภายในกิจใจเน่งขอให้ทุกทุกท่านได้ทำความเข้าใจเอาไว้สำคัญคือใจดังหนังสือที่บอกไว้ว่าไว้ว่า ทำแท้ปรากฏที่ใจไม่มีอะไรที่จะนอกเหนือไปจากใจเพราะใจเป็นธรรมชาติที่รู้สิ่งเหล่านั้นไม่รู้อันไดมาสัมผัสกับใจใจต้องรู้ใจเป็นผู้ปรุงขึ้นเองใจก็รู้ถ้ามีสติหากไม่มีสติแล้วใจมีความปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่ทราบได้ว่าปรุงแต่งเรื่องอะไรนี่ นี่แหละสำคัญอยู่ที่ตรงนี้พระโอวาทคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทได้อ่านได้เห็นได้ยินได้ฟังในบทใดบาทใดพึงทําความเข้าใจสังเกตสอดรู้ไปตามอัตธรรมนั้นๆเราจะเห็นความลึกตื้นอันสําคัญสําคัญอยู่ภายในพระโอวาทนั้นโดยลําดับไป เพราะคำว่าศาสน า, าแล้วการแสดงออกย่อมย่อมเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลเพื่อผู้ฟังไม่ว่าจะสัมผัสสัมพันธ์ทางใดได้เข้าใจและได้เหตุด้วผลได้อัดได้ทำได้คติเครื่องเตือนใจขึ้นมาจากการสัมผัสสัมพันธ์โดยสม่ำเสมอถ้าตั้งใจสังเกตเพราะธรรมนี้เป็นธรรมที่เบิสุ์โดยสุดส่วนแล้วจากพระไถ่ การแสดงออกมาในบทใดาบาทใดจึงไม่ผิดพลาดสำคัญที่ผู้ฟังผู้ศึกษาผู้ปฏิบัตินี่เป็นความผิดพลาดภายในตัวเองเสียเองเพราะความไม่รอบครอบหรือความไม่ค่อยสนใจนักนี่ที่ทาให้ผิดให้พลาดอยู่เสมอการดำเนินที่ให้เป็นไปพื่ความพื่ความราบรื่นดีงาม ในสมัยปัจจุบันนี้เรายังไม่มองไม่เห็นว่าใครที่จะเป็นที่ตายใจและอบอุ่นได้อย่างแท้จริงเหมือนหลวงปู่มั่นที่พาดําเนินมาไม่ใช่เราจะแปร่งหาเรื่องหาราวยกท่านแล้วเหยียบย่ําท่านผู้อื่นผู้ใดนอกจากนั้นเราไม่ค่อยได้คบค้าสมาคมพอที่จะทราบเรื่องราวความหนักเบามากน้อยแห่งการปฏิบัติของท่านเราจึงไม่อาจที่จะ ตำหนิตีเตียนหรือเหยียบอหรือชมเฉยท่านเหมือนปฏิปทาที่ท่านอาจารย์มั่นท่านพาดําเนินมานี่หากพอควรจะตําหนิ <c oughs> การตําหนิโดยทำเราก็อาจจะพูดได้เพราะทำเป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้วแต่นี้หาที่ตําหนิท่านไม่ได้ท่านดําเนินในแง่ใดมุมใดมีตั้งแต่เรื่องอัดเรื่องทำ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 กาจับภูเขาทองนังว่านะั้นทำให้เลืองอาลามไปหมดทั้งๆ ท, ที่กาตัวดำๆนี่เมื่อเราเมื่อเราก้าวเข้าไปสู่แวดวงแห่งธรรมแห่งความเมตตาสงสารแนะความบริสุทธิ์ของท่านแล้วย่อมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกันให้มีแก่กิจใ จ, ใจที่จะสังรวมระวังตนเพื่อความดีงามมากยิ่งกว่าที่จะมีเกยตนาในทางผิด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 อย่าเข้าใจว่าท่านอยู่ประเทศอินเดียท่านปรินิพานแล้วนั่นเป็นสถานที่เป็นการเป็นวร่ำเวลาไม่ใช่องศา ส, สดาที่แท้จริงเหมือนหลักธรรมหลักวินัยอันเป็นฝ่ายเหตุฝ่ายผลเพื่อแก้เพื่อถอดถอนกิเลดโดยถ่ายเดียวและธรรมชาติที่บริสุทธิ์คือพระไทยของท่านนั่นแลคือศาสดาองค์แท้ ถ้าเราอยากจะทราบว่าศาสดาอยู่ที่ตรงไหนโดยไม่ต้องสงสัยเลยทั้งๆ ท, ที่ไม่เคยเห็นองค์ศาสดาก็ตามให้พึงปฏิบัติตนตามพระาว่าดคำสั่งสอนนี้อย่างหนักแน่นแม่นยำอย่าให้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปได้ทำที่ท่าท น, นกล่าวไว้ว่าสมาธิตั้งแต่เป็นพื้นพื้นขึ้นไปที่จะปรับระดับจิตให้เข้าสู่ความละเอียดแหลมคมที่สุดเราจะได้ทราบจากภาคปฏิบัติของเราด้วย ความสนใจกับหลักธรรมที่ท่านสอนไว้หาจะเป็นสมาธิขั้นใดก็ตามนี่คือเหมือนกับว่าเราไม่มีวิวแววหรือมองเห็นพระบรมศาสดาเป็ยิบยิบแยบแ ย, บ, ยบแล้วแม้ไม่เห็นทั้งองก็ตามเพราะคําว่าสมาธินี้องค์ศาสดาก็เคยเป็นมาแล้วแล้วได้ปรากฏกับใจของเราพอเป็นเครื่องยืนยันหรือเป็นหลักฐานพยานกันได้ในขั้นหนึง่ง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 ภูมิของเราก็พอทราบได้เช่นเดียวกับเรารับทานเด็กรับทานอิ่มเป็นอย่างไรผู้ใหญ่รับทานอิ่มเป็นอย่างไรเด็กย่อมไม่สงสัยความอิ่มของตนผู้ใหญ่แม้จะท้องใหญ่ท้องโตวกว่าเด็กก็ไม่สงสัยว่าผู้ใหญ่นั้นะรับทานแล้วอิ่มเป็นอย่างไรนี่ภูมิอย่งธรรมที่บรรจุภารกิจใจเต็มที่ในหัวใจตนแล้วย่อมจะอย่างทราบถึงภูมิอย่งสาสดา ว่ากว้างแคบขนาดไหนอีกด้วยและลึกซึ้งอย่างไรอีกด้วยความที่ว่าอัศจรรย์อัศจรรย์องค์ศาสดาอัศจรรย์นั้นอัศจรรย์ที่ตรงไหนด้วยเมื่อใจของเราได้แสดงผลขึ้นมาโดยลําดับลา ด, ดาจนกระทั่งแสดงผลเต็มที่พายในจิตใจหาอะไรสงสัยไม่ได้แล้วจะสงสัยพระพุทธเจ้าองค์ศาสดาซึ่งเป็นภูมิเลิศประเสริฐสุดไปก่อนพวกเราแล้วอย่างไรเล่า ยอมหาความสงสัยไม่ได้นี่แหละการดูการเห็นการเฝ้าพระพุทธเจ้าให้ดำเนินตามวิธีการที่ท่านพาดำเนินไปนี้ไม่ปิดไม่แวะไม่เห็นสิ่งใดดีดกว่าพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าและไม่เห็นจุดใดเด่นยิ่ยงกว่าจุดแห่งความพ้นทุกหรือจุดแห่งการเกิดบุญเกิดกุศลเกิดความดีทั้งหลายจนกระทั่งถึงถึงความพ้นทุก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 ให้ได้หลุดพ้นไปจากทุกข์โดยลําดับลําดาจนกระทั่งพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะเหนือธรรมนี้ไปได้ให้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจงทุ่มจิตใจลงจุดนี้จุดนี้หมายถึงความรู้ของตนความเคลื่อนไหวนั้นเคลื่อนไหวไปอย่างไรอย่าลืมดังที่บอกแล้วว่า สิ่งภายในที่มันผลักดันอยู่ตลอดเวลานั่นแหละพาให้จิดเคลื่อนไว้ไปในทางผิดโดยที่เราไม่รู้ทั้งทั้งที่ตนเข้าใจว่าตนประกอบความเพียรอยู่เพราะสติไม่ทัน <c oughs> ปัญญาไม่รอบตัวย่อมจะเผลอต่อสิ่งที่คลั่งแค้วว่องไวมาแล้วได้แต่ที่เดือดประเภทต่างๆนั่นให้ตั้งจุด เป็นที่มุ่งหมายจุดอันสําคัญไว้ที่นี่ศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญามีมากน้อยเพียงไรให้ทุ่มเข้ามาจุดนี้อย่าสําคัญว่าสิ่งใดจะเป็นสิ่งที่ เ, เลือ่อนเลอเหนือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นี้นี่หละท่านว่าธรรมเหนือโลกอยู่ที่ใจกับธรรมสัมผัสกันเป็นลําดับกําดาไปจนกระทั่งใจกับธรรมเป็นอันเดียวกัน ที่ว่าจะทําเป็นอย่างนึ่งใจเป็นอย่างหนึ่งนั้นพูดไม่ได้สําหรับผู้ที่ทํากับใจเป็นอันเดียวกันถึงร้อยเปอร์เซหรือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่คือเข้าถึงกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงขั้นของจิตบริสุทธิ์ทําบริสุทธิ์ภาณในใจดวงเดียวกันแล้วไม่มีทางที่จะแยกแยกออกไปได้อันนี้ก็จะทราบเองรู้เองเห็นเองด้วยสังติฤกษ์ของผู้ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าทรง มอบไว้แล้วทุกแง่ทุ ก, ทกมุมไม่ให้สงสัยว่าต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าอีกต่อไปพระอาวาททั้งหมดนี้พร้อมแล้วสมบูรณ์เต็มที่แล้วที่จะรื้อขนสัตว์ให้หลุดพ้นจากทุกโดยสิ้นเชิงตามศาสด า, า, าองค์เอกได้ไม่มีอะไรเกินสวกคารธรรมนี้ไปเลยให้จงพากันเป็นที่แน่ใจในพระอาวาทนี้ที่สอนแล้วและให้กาจัดสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย ซึ่งมีอยู่ตลอดเวลาแทรกอยู่ตลอดเวลาไม่มีคําว่าอ่อนตัวไม่มีคําว่าขี้เกียจชีคร้านในการสั่งสมเพื่อประโยชน์ของตัวก็ได้แก่กิเลสนี่แหละจะเป็นอะไรไปทําเมื่อยังไม่ถึงขั้นที่ควรจะเป็นยอมถูกกิเลสแทรกเข้าไปให้ขี้เกียจชีคร้านต่อการบําเพ็ญเพื่อความดีทั้งหลายได้โดยไม่ต้องสงสัยไม่ว่าใจท่านจะเรามีเหมือนกันเป็นเหมือนกันไม่ต้องถามก็ได้อันนี้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 การรักษาอยู่เสมอจะค่อยปลอดภัยร้ายกังวลค่อยสงบตัวเข้าไปเรื่อยๆและแสดงผลคือความสุขเย็นใจขึ้นมาให้เจ้าของได้ชมนี่ต่อจากนั้นก็ค่อยก้าวไปโดยลำํำดับลำดาความที่เกียดที่ร้านที่เคยบีบบังคับเราในการประกอบความดีทั้งหลายอยู่ตลอดเวลานั้นจะค่อยจางไปจางไปจนกระทั่ง ไม่มีเหลือภายในจิตใจเลยและทําให้เราทราบได้อย่างชัดเจนว่าความที่เกลียดที่คานเหล่านี้ล้วนเป็นกิเลสทั้งนั้น<ม>นัน<ม>เมื่อถึงขั้นทำมีกําลังถึงขั้นทำเป็นตัวของตัวแล้วกิเลสย่อมเข้าแทรกเข้าสิงไม่ได้กิเลสมีตั้งแต่วันจะหมดจะสิ้นไปโดยลําดับลําดาจนกระทั่งสิ้นไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจเลย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 ที่เคยชินมาในทางโลกอันเป็นเรื่องของทีดเดอดล้วนๆก้าวเข้าสู่ธรรมอันเป็นเรื่องของธรรมที่จะทำเราให้ดีให้มีกำลังวางชามากขึ้นโดยลำดับอย่าให้อ่อนแอลงไปโดยลำดับใช้ไม่ได้เลยผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายเราก็เห็นแล้วประจักษ์แต่ก่อนก็รู้รู้สึกว่าเป็นที่อวอุ่นคิดไปทางในมุมใดก็มีครูมียอาจารย์ เป็นล่มโพล่มใสเข้าไปกราบบ้าบูชาท่านเท่านั้นยังไม่ได้ถามอัดถามทำก็ เ, เย็นแล้วเพราะท่านเป็นผู้ทรงไว้แล้วความเยืด้วยด้วยความเย็นอันประเสริฐนี่แล้วเวลานี้เป็นอย่างไรลดล่วงไปลดล่วงไปผู้ที่จะเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นการสืบหน่อต่อแขนงกันไปในความดีในความเลิศความประเสริฐทั้งหลายด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มากจะล่วงโรยไปล่วงโรยไปก่อนครูบาจารย์ล่วงโรยไปเป็นไหนไหนเมื่อเป็นฉะนั้นความหวังจะอยู่ที่ไหนจะลงจุดใดหาความลงที่ลงไม่ได้หวังเฉยๆแล้วครูบาาจารย์ก็ล่วงไปล่วงไปดังที่เคยพูดให้ฟังเสมอท่านที่เรากล่าวถึงนั้นเรากล่าวด้วยความแน่ใจไม่สงสัยท่านเลย เพราะเคยสนทนาอัตถิมกับท่านจนเต็มหัวใจแล้วหาที่จะจืดจางไปอีกแม้นิดหนึ่งไม่มีเลยคงเส้นคงวาหนานแน่นอยู่ด้วยความเชื่อมั่นในความจริงทั้งหลายของท่านจึงสามารถพูดออกมาอย่างไม่อายใครทั้งนั้นกิเลสมันไม่เห็นอายเวลามันจะเย่อหยิ่งจองหองเหยียดย่ำเหยียบย่ทำทําลายธทำมมันไม่เห็นละอายเราพูดเพื่อจะเหยียบย่ทำทําลายกิเลสทําไมเราจะอาย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 แล้วที่เดินตามหลังนี้มักจะแทรกจะแ ซ, ะแซงท่าไหลท่าไหลออกนอกรูนอกทางถือว่าอันนั้นเลิดอันนี้ประเสริจนอกเหนือทำไปจะแล้วไปยังไงเลิดนั้นมันเลิดของกิเลสเสือกสรรตั้นยอเลิด ก, กับเปลวมันไปด้วยกันไม่ใช่เลิด ก, กับเลว ก, กับประเสริฐเหมือนทำท่านพาเป็นเรื่องกิเลสหลอกเป็นอย่างนั้นเลยดูเอาเรามีตาเรามีหู จมูกลิ้นกายใจสัมผัสสัมพันธ์กับโลกอยู่นี้ตลอดมาตั้งแต่วันเกิดทําไมเราจะพอยึดเอาเป็นหลักเป็นเตียงเป็นคติเครื่องเตือนใจไม่ได้ทําไมจะมีแต่ความลุ่มหลงด้วยอํานาจของกิเลสมันฉุดลากไปซะโดยไถ่เดียวจนหาเวลารู้ตัวไม่ได้เลยนี่มันไม่เกินไปแล้วหรือนักบวชนักปฏิบัติเราว่าตาเป็นยังไงหูเป็นยังไงจมูกลิ้นกายใจเป็นยังไงถึงไม่เล็ดลอดออกมาสู่นี้อาจนี่ทำบ้าง นอกจากไหลไปตามกิเลสทั้งวันทั้งคืนเช่ยอย่างเดียวมันจะเป็นประโยชน์อะไรกับเรานี่เราสร้างความหวังอันไรอัะไรไว้ให้เราเวลานี้เราดูที่จิตใจนั้นอะเป็นผู้สร้างอยู่เวลานี้มันสร้างความเสียสันตัญยอขึ้นมาอันนั้นดีอันนี้ดีอะไรดีหมดหมดแล้วสุดท้ายมันก็จมไปจมไปพังลงไปพังไปเห็นไหมโลกไหนโลกพังนอกจากสามโลกธาตุนี้ไม่มีโลกใดพัง ทำไม่พังนิพพานทางไหมเคยเห็นไหมนั่นแหละเอามาเทียบกันสินิพพานคือยุทธะไม่หมุนจะ อ, อะไรมาเวียนจะ อ, อะไรมาเกิดมาตายนี่มันโลกหมุนโลกเวียนโล ก, โลกอนิจจังทุกขังอนัตตาทําไมจะไม่มันเป็นมันเป็นมาตั้งกับตั้งกันมันกี่กับกี่กันแล้วทําไมการหลงมันจึงไม่มีวันอิ่มพอสําหรับพวกเรา มันเป็นพ่อเหตุอะไรวินิจฉัยบ้างสิจิต ด, ดวงนี้ทำเป็นเครื่องวินิจฉัยมีอยู่ทำไมไม่เอาไปวินิจฉัยเครื่องแก้กันมีอยู่ที่มืดมีที่เครื่องสว่างมันมีแก้กันอยู่ทำไมไม่เปิดความสว่างขึ้นมาให้เห็นสติปัญญามีไว้ทำใหม่หงต้มแกงกินก็ไม่ได้เอามาใช้สนหรแก้กิเลสเลยเนี่ยผู้ที่จะขึ้นปฏิบัติตนให้พ้นจากทุกข์ต้องเป็นผู้พินิจพิจารณาใคลควรกับสิ่ง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 นี่เราความเกิดตายมันมีเท่านี้แหละมันมีวิเศษวิโสอะไรอีกนอกจากความคาดความเดาความฟุ้งเฟ้อเหิมของใจด้วยอํานาจของกิเลสหลอกไปเท่านั้นว่าอันนั้นจะดีอันนี้จะดีแล้วสุดท้ายก็พังพังพังไปด้วยกันมีใครสมหวังบ้างในโลกนี้เห็นไหมผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะพิจิตริจนาเห็นสิ่งเหล่านี้ได้พอที่จะหาทางลบดีติดตัวออกให้พ้นจากความเป็นกงจักนี้ แล้วก็เป็นวิวัตจักรได้ในวันหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยคือผู้ปฏิบัติที่เท่านั้นแล้วเอามาพิจินนี้พิจารณาแล้วก่อนจะตายเป็นยังไงแล้วเวลายังเป็นอยู่นี้เป็นยังไงได้บำบัด ร, รักษากันอยู่ตลอดอียบทไม่ใช่หรืออียาบททั้งสี่เพื่ออะไรถ้าไม่ใช่เพื่อบรรเทาความทุกข์ที่มันเต็มอยู่ในธานุในขันนี้ให้พอเบาบางไปบ้างพอบรนเทาพออยู่ได้ทรงไปได้ในวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้น อียิปตบทการยืนการเดินการนั่งการนอนมันมีเศษวิโสอะไรมันเพื่อบำบัดธาตุขันให้พอเป็นไปได้เท่านั้นนั่นนั่นก็เป็นกองทุกข์อันหนึ่งอันหนึ่งแล้วถึงเวลาจะจะเป็นจะตาเตยไงแม้แต่ไม่ตามันเจ็บปวดแสบร้อนที่ตรงไหนเขาไม่ใช่ภูเขาทั้งลูกมันเป็นมันเป็นอยู่ในธาตุในขันของเราทําไมจะไม่เห็นเรื่องกองทุกข์ที่มีอยู่ในนี้น่ะนี่มันน่าที่จะนาจริงๆทําไมไม่ที่จะนาปัญญาไปไว้ที่ไหน สิ่งเห่นี้มันกระเทือนหัวใจหัวใจเป็นดวงที่รู้เมื่อหัวใจมีปัญญาทําไมจะไม่แยบแยบออกมาให้รู้ตามหลักความจริงที่มันแสดงอยู่ตลอดเวลาในหัวใจของเราซึ่งสูบถูกสัมผัสอยู่ตลอดเนี่ยมันควรจะรู้ได้เนาะเดี๋เวลาจะตายเป็นยังไงอีกเราพิจารณาสิบางไรายไม่มีสติสตังเลยทิ้งขวางตัวเอ ง, งเอปิ่นเกลือกทิ้งเนื้อทิ้งตัวไม่มีสติสตังเลย นี่แสดงว่าหมดแล้วสติก็เหมือนไส้เดือนตัวหนึ่งที่มันคืบครานไปตามพื้นที่ที่ร้อนๆเนั้นคืบครานไปไหนก็มีแต่ความร้อนมีเหมือนกับฟืนกับไฟเพราะดินมันถูกแดดแผดเผามันร้อนแล้วไส้เดือนเมื่อเสื่อครานไปไม่ได้นานสุดท้ายก็ตายนั่นเป็นยังไงพิจนาดีเรื่องธาตุเรื่องขันของเรานี้มันก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน ถึงวาระที่มันจะไปแล้วจะเป็นไปแล้วยังไงมันก็แบบใช้เรือใช้เรือนั่นแะ่ะเสือคานไปอย่างนั้นแล้วคําที่ว่าสติไม่มีนี่สิมันสําคัญสติเป็นของมีได้ฟังสิสติไม่มีได้อย่างไรเมื่อทําให้มีสั่งสมให้มีบํารุงให้มีมีได้ปัญญามีได้พระพุทธเจ้าคือศาสนาองค์เอกแท้ๆเป็นผู้สั่งสอนไว้ไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดรับหูรั บ, รบตา ม, มาสอนโลกศา ส, สดางองค์เอกสว่างจ้า รอบทิศรอบด้านรอบจากเกศขอบเกศจักรวาลทั้งสามภพไม่มีใครเกินสัตวานนั่นหมาความสว่างปเป็นผู้มาสอนโลกเป็นผู้มาสอนความจริงวันนี้ให้พวกเราทั้งหลายฟังทําไมเรามันจึงไม่ถึงใจของพวกเราถูกที่เรื่ยงปิดกั้นเราเสียตลอดเวลานั่นเหรือถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ตายไม่มีกุศลาสิกุศล า, าแปลว่าอะไรแปลว่าความฉลาดหาความฉลาดไม่มีแล้วมันจะไปที่ไหนถ้ามันไม่จมจะไปที่ไหนกันออื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 ทราบตามจุดของมันเท่านั้นไม่ได้มีความกระทบะกระทกระเทือนมาถึงจิตใจเลยเพราะ<ม>ใจรอบตัวใจรู้รอบหมดย่อมเป็นอย่างนั้นสติไม่ต้องบอกฮรู้กันอยู่ในหลักธรรมชาตินี่เมื่อถึงขั้นรู้แล้วเมื่อได้อบรมให้เป็นไปย่อมเป็นเช่นนี้ไม่สงสัยเราให้เห็นกับตัวของเรานี่เราอย่าไปคอยทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ตัดไป้แนะ่ทุกสิ่งทุกอย่างอุบายวิธีการที่ใช้มีสติปัญญา ศรัทธาความเพียรทุกอย่างก็ส่งสอนมาแล้วทุกเนี้ยคือมุมบกพร่องที่ตรงไหนนอกจากมันบกพร่องในตัวของเราเองซึ่งเป็นตัวหาผามทีดเด็ดตัวเป็นฆาติึกต่อธรรมนี้อยู่เต็มหัวใจเต็มตัวเหล่านี้เท่านั้นมันยังไม่สามารถที่จะมองเห็นอันใดที่เป็นอยู่ภายใ น, ในใจิตใจของตัวเราเรื่องความเกิดความตายมันแสดงที่ไหนแสดงที่ท่าที่ขันนี้ถ้าจิตลุ่มหลงก็แสดงในจิตด้วยกระเทือนเข้าในจิตด้วยจิตย่อมได้รับความเดือดร้อนยิ่ง กว่าธาตุขันแสดงนี้อีกถ้าจิตไม่มีสติไม่มีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนถ้าเราได้รับการอบรมสติปัญญาให้เป็นเครื่องรักษาตนแล้วเราจะทราบได้ชัดเจนว่าขันอันนั้นแสดงอาการยี่คนง่ิการอย่างนั้นอย่างนั้นใจเราไม่มีการ น, นแสดงวิปฏิฏฐิผิดความเป็นธรรมบัปกติไปอย่างนั้นอย่างนั้นเราไม่ได้แสดงผิดปกติใจคือผู้รู้รู้ด้วยความมีสติ จากนั้นก็ความมีสติในหลักธรรมชาติเอาจะแสดงประท่าใดในเรื่องธาตุรังขันรู้หมดรอบหมดโดยไม่ต้องบังคับบังชามเหมือนอย่างที่แต่ก่อนที่เคยตะเกียกตะกายกันเลยนี่ถึงขั้นธรรมชาติแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุ น, นั้นพระอราหันต์ท่านตายเองไม่มีปัญหาอะไรเลยที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องขึ้นชื่อว่าสมมุติธาตุขันธ์นี่ไม่เป็นสมมติเป็นอะไรไปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณเป็น ต, ตัวสมมติทั้งมวลจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่ใช่สมมติ จะไปทําลายกันได้อย่างไรไปทําให้จิตใจหวั่นไหววุ่นวายได้อย่างไร <ician ide> เมื่อกิตก็เป็นหลักธรรมชาติของนิมุตติจิตแล้วธาตุขันธ์ก็เป็นหลักธรรมชาติของเขาอยู่ตามธรรมชาติอยู่นี่แล้วมันหลงกันที่ตรงไหนยึด ก, กันที่ตรงไหนรูปก็กองกระดูอืมดินน้ําลมไฟมันอยู่ในนี่หลงมันอะไรดินน้ำํำลมไฟเต็มไปด้วยแผ่นดินเต็มไปไปด้วยน้ำด้วยลมและไฟในโลกอันนี้บกพร่องที่ตรงไหนพอที่จะไปหลงใน ร่างกายที่เท่ากับปั้นนี่เท่นั้นอยู่ในนี้แบกมันอะไรนี่ถ้าสติปัญญาทันต้องทันอย่างนี้ไม่ต้องสงสัยไม่ถามถามพระพุทธเจ้ า, าถานท่านต่อไหม่ท่านแสดงไว้เรีย บ, บร้อยแล้วขอให้ดําเนินก้าไปตามที่ท่านสอนวันนี้และรู้ตามนั้นแล้วไม่สงสัยพระพุทธเจ้านิพานแบบไหนไม่สงสัยถ้าสาวกท่านนิพานแบบไหนเอาอะไรมาสงสัยเมื่อเจ้าของไม่สงสัยเจ้าของแล้วเจ้าของรู้เต็มหัวใจแล้วเอาอะไรมาสงสัยนี่แหะเครื่องยืนยันอันนี้เองมันเป็นเครื่องกระเทือนโลก กระเทือนหมดบรรดาพู้ดิเจ้าทุกๆพระองค์และสาวกอรหันของพรุทธเจ้าแต่และพระองค์งคมีจนำนวนมากเลยกระเทือนไปหมดเพราะความจริงอันนี้ไม่มีประมาณนี่นี่แหละที่นว่าได้ชัยชนะเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายท่านไม่มีปัญหาอะไรกับสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นเรื่องของสมมุติท่านทราบไว้ก่อนหมดนอกจากทราบแล้วยังถอนอุปทาน โดยสิ้นเชิงไม่มีเลยเหนือเป็นแต่เพียงว่าครองทา่าครองขันรับความปิดชอบกันอยู่เพียงเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะนอกเหนือไปจากนั้นเลยเราจะให้ท่านหลงอะไรนี่ระหว่างพระรหัต์กับปุถุชนเรากับผู้ที่ไม่รับการรวมเลยมันผิดกันราวฟ้ากับดินผิดกันเึงขนาดนั้นนะความรู้ของเราที่เต็มพระโลกิีเดสยรเราอยากเข้าใจว่ามันฉลาดความรู้ที่พ้นจากจิตเลนแล้วว่าฉลาดไม่ฉลาดไม่ได้อยู่ในจุดนี้ นอกเหนือไปหมดแล้วเพียงธาตขันทำไมจะไม่รอบเมื่อนอกเหนือไปหมดแล้วนั่น น, ะนั่นท่านไม่ทุกข์นะอากับกิริยาเหล่านี้แสดงเท่าไหร่ท่านก็รู้ท่านก็รู้เมื่อครองกันได้ท่านก็ครองไปเมื่อครองไม่ได้ก็ปล่อยลงตามความจริงของมันหมดปัญหาความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงถึงเรียกว่าปรินิพานแล้วนั่นดังท่านุทะ พูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้าเวลาเข้าเสด็จเข้าฌานใดฌานใดพระนุทะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องปรัชญตวิชารู้จิตของคนอื่นแม้พระจิตขององค์สัตวาก็ไม่พ้นที่พระอนุทัศน์จะทราบได้ว่าพระจิตที่บริสุทธิ์นั้นเสด็จเข้าฌานใดฌานใดจนกระทั่งออกจากสมมุติขันอันนี้โดยประการทั้งปวงฌานก็เป็นสมมุติออกจาก สมมุติเหล่านี้แล้วไม่มีคำที่จะพูดเพราะสมมุติไม่มีในจิตดวงนั้นผ่านนั้นพูดได้ยังนิพ า, านแล้วนั่นนั่นล่ะคือหมดปัญหาหมดความทุกข์ความเยื่อใยความรับผิดชอบเสียทุกแง่ทุกมุมไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวข้องพอที่จะรับผิดชอบอีกเลยขึ้นที่ว่าสมมุตินั่นท่านเรียกว่นนานิพานไม่ใช่ความล่มจมแห่งการนิพาน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 นั่นแหะท่านว่าสมบูรณ์เต็มที่คือ น, นิพพานเอาให้เห็นที่นักปฏิบัติเมื่อเห็นแล้วจะถามใครแล้วกราบเองกราบพระพุทธเจ้าวิเศษขนาดไหนกราบเองเมื่อยอมรับธรรมชาติอันภายใจิตใจที่ว่าบริสุทธิ์เต็มที่แล้วหากกราบเองลงถึงเองเดียวเป็นก็เป็นตากรตายถ้าวายชีวิตต่อพระองค์ท่านได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะหลักธรรมชาติอันนี้เหนือสิ่งใดแล้วพระพุทธเจ้าผู้สอนก็เหนือแล้ว แล้วจะไปมอบการถบายตัว ต, ต่อสิ่งใดนอกจากต่อองค์ศาสดาผู้พาให้ดุพ้นเท่านั้นนั่นนี่แหละเรื่องความดุพ้นจากความเกิดตายเป็นยังเป็นยังไงร่มจงใหม่พิจารณาสิเรื่องตะเกียกตะกายอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเหมือนถูกไฟเผาตลอดเวลานี้มันดีแล้วเหรอมันทุกอะไรบ้างทุกวันนี่ไม่ใช่ทุกเพราะสิ่งเหล่านี้เหรอือสัมปัสสัมพันธ์การคาดการหมาย ยุ่งเหยิงวุ่นวายมีแต่ลสิ่งก่อขวรสิ่งก่อขวนนี่หรือพาคนได้รับความสุขความสบายทุกวันนี้นอกจากพายไปเพลินไฟเผาลน่นตลอเวลาเหมือนกับฟุตบอกลกริ่งโน้นกริ่งนี่อยู่ท่านั้นมีอะไรเราหาดูสิถ้าว่าทํามุยเจ้าเป็นโมคะเอาให้เห็นสิวะเป็นยังไงอะไรเป็นโมคาแท้สิ่งเหล่านี้เราตะเกียกตะกายวุ่นมากับมันตลอดแล้วได้อะไรกับมันนี่มันเป็นยังไงอันนี้อะ มันเป็นโมฆะหมายใครก็ตะเกียบตะกายแทบเป็นแทบตายไม่มีวันอิ่มวันพอจนจกระทั่งจะหมดลมหายใจแล้วยังตะเกียบตะกายอยู่ทั้งๆั้ที่มันก็ไม่ได้อะไรเป็นเครื่องตอบแทนเลยนอกจากความทุกข์ที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นภายในจิตใจเท่านั้นมันก็ยังตื่นลมตื่นร่านไปหัวใจมนุษย์ที่เป็นไปด้วยกิเลสนี้เป็นอย่างนั้นนะฟังใชเรื่องของกิเลสเป็นยังไงมันพาคุณให้ดีให้ดีใหม่ เราเอามาสอนเราในการพูดเหล่านี้พูดเพื่อนำอุบายเหล่านี้เข้าไปสอนตนต่างหากนะไม่ได้สอนเพื่อดุเพื่อดนานมากเก่าหรือเห็นค่าท่านผู้หนึ่งผู้ใดเพื่อยื่นอุบายให้เท่านั้นให้นําอุบายเหล่านี้เข้าไปพร่ำสอนตนเองให้มันเกิดความฉลาดขึ้นมาเมื่อทําเป็นความฉลาดขึ้นมาแล้วกิเลสมันฉลาดขนาดไหนมันก็ตามกันทันเมื่อทําไม่มีความฉลาดพอมันแล้วมันหลอกใต้วันดังคําคึงลูกี้ครับกี่กันไม่มีวันอื่มพอ ไม่มีใครจะเบื่อหน่ายพอที่จะดูพ้นจากทุกไปรด้เพราะความเบื่อหน่ายนี่เลยถ้าไม่ได้อัดทำเป็นเครื่องพินิจพิจารณาแล้วเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาด้วยอ ด, ดุธรรมนั่นแหละมีทางไอ้เบื่อหน่ายเฉยๆมันก็เพิ่มทุกข์เข้าไปอีกเพราะไม่ใช่เบื่อหน่ายด้วยธรรมเนือ้อยากตายสยิตายเข้าไปมันมันมิเสียวิสสอะไรคนตายสัตว์ตายเต็มแผ่นดินเยอะใครวิเศษวิโสจรงอยากตายกันนี่มันโง่ขนาดนั้นมันหรอพิจารณาเลเอาให้เห็นชัดๆเจ้าของนี่ เมื่อเห็นชัดประจับพาในจิตใจแล้วมันจะไม่มีอะไรสงสัยเลยภานในใจมีได้กล่าวถึงเรื่องพระอรหันต์ท่านนิพพานท่านตายเป็นยังไงตะกี้นี้นั่นล่ะท่านเป็นอย่างนั้นล่ะผิดกับพวกเราทั้งหลายด้วยเหตุนี้ที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านท่านแสดงดังที่จะเขียนไว้ในประวัติว่าพระอรหันต์ท่านิพพานท่าต่างๆกันน่ะเรายอมรับเลยทั้งทั้งตัวเท่าหนูนี่ก็ตามยอมจริงๆ บางองค์ยืนนิพพานฟังสิบางองค์นั่งนิพพานบางองค์นอนนิพพานบางองค์เดินนิพพานนั่นฟังสิท่านทําไม ย, ยิ่งทำได้คนทั้งโลกนี้ทําได้ไหมมิจะยิ่งโดนกวนกระวายอยู่ตลอดเวลาหาสติสตังไม่ได้เท่านั้นเรื่องของโลกเป็นอย่างนั้นทีนี้เรื่องของทำล้นล้ว น, วนใจที่บริสุทธิ์ล้นล้ว น, วนเป็นยังไงผิดกันไหมายก็สิ่งเรื่องความตายมันก็เป็นเวทนาของมันอันหนึ่งในท่านในขัน มันเหนือจิตดวงบริสุทธิ์นั้นได้อย่างไงนั่นแหละจิตที่บริสุทธิ์นั้นแหะเหนือสิ่งเหล่านี้ท่านจริงทําได้ตามหลักธรรมชาติแห่งความบริสุทธิ์ของท่านไม่มีใครที่จะไปเทียบไปเทียงไม่มีใครที่จะไปกล้าให้คะแนนตัดคะแนนท่านได้ละนอกจากจะหาบบาปผับกรรมอาไปจึงไปกล้าตัดคะแนนลดคะแนนหรือให้คะแนนท่านด้วยความเข้าใจสําคัญผิดของตนหรือด้วยความสําคัญตนว่าฉล า, าดทั้งท่างที่งู้ดจนจะตาแล้วมีใครเกินกิเลสครอบหัวใจละ พาคนให้งูพาษารให้งูถ้าคิดเด็ดออกหมูลแล้วเอาอะไรมาโง่นี่ตรงนี้แหละคงคิดเทียบเทยงกันได้เอาพิจารณาสิผู้ปฏิบัติทั้งหลายนี่กพยายามแนะนำสั่งสอนเป็นห่วงเป็นยายหมู่เพื่อนไม่ได้เหมือนอยู่คนเดียวนะออต้องคิดต้องห้ายแง่ร้ากระทงหมู่เพื่อนความเป็นอยู่ด้วยกันเป็นยังไงบ้างก็ต้องได้คิดได้สอดได้แทรกได้พิพจารณาไปหมดไม่อย่างนั้นไม่ได้ Ừ, การสอนหมู่สอนเพื่อนการรําหมู่เพื่อนไว้เพื่อการอบรมสั่งสอนอะไรไม่ดีไม่งามก็ต้องเลยแนะนําสั่งสอนต้องได้ดูได้แนวอยู่นั้นแหละแล้วแล้วทางด้านจิตใจเ่าเป็นยังไงก็ต้องอบรมสั่งสอนกันเพื่อให้รู้วิธีการดําเนินดังที่เป็นอย่างนี้ประชุมแล้วก็ประชุมประชุ ม, ชมสอนอยู่อย่างนี้จะวางอไรการทำอย่าง น, นี้มันเป็นความสุขเมื่อไหร่การอยู่ธรมธรมดาธรรมดาตามท่าตามขันตัวนั้นมันพอดีแล้วกับแบกขันตรงนี้ ถ้าเอาอะไรมาเพิ่มอีกมันก็หนักเข้าไปอีกอืมการรับภาระเพื่อการแนะนําสั่งสอ น, งา น, ง, านงานนั่นงานนี้นั่นนเป็นการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ก็ยอมรับเพราะความเห็นใจของหมู่ของเพื่อนอมไม่ว่าใจท่านใจเรามีความรู้สึกเหมือนเหมือนกันก็ต้องเอานั่นมาเทียบมาเทียงแล้วถูไถยกันไปนี่นะขอให้ทุกๆกท่านได้มีจจิตใจใจที่จะบําเพ็ญตนให้เป็นผู้มีความเย็นใจไม่มีอะไรเย็นยิ่งกว่าใจในโลกอันนี้ ลงในจุดเดียวนี้เท่านั้นไปอนจุดที่สําคัญมากเย็นที่ตรงนี้ร้อนก็ร้อนที่ตรงนี้แหละวิเลษพาให้ร้อนเย็นก็เย็นที่ตรงนี้ทำปลาให้เย็นอเอาแก้กันลงไปสิให้มันเห็นเหตุเห็นผลอย่างชัดเจนการปฏิบัติยาให้นอกเหนือไปจากแนวทางที่ครูบาอาจารย์ทำเนินมาคําว่าธรรมอาวุธเจ้าวินายพระพุทธเจ้าพาดำเนินมานั้นบางรายเราก็จะไม่เห็นเรื่องอดัดเรื่องทำท่านสอนไว้อย่างไรบ้าง แต่คูบาจ า, ารย์ผ่าดําเนินนั้นพอรู้พอเห็นกันบ้างให้หยึดเอานั้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาไว้เราอยากเข้าใจว่าเราฉลาดยิ่งกว่าท่านผาดําเนินมันจะเป็นความโง่หาที่ให้อภัยไม่ได้ตัวเองนั่นแหละจะให้อภัยตัวเองไม่ได้แล้วก็จมไปจม ไ, ไปเพราะความสําคัญผิดทั้งตนนั่นหนหละให้พากทากันพอนิพิจารณาเดี๋ยวนี้เบาบางลงมากแล้วปฏิปทาเครื่องดําเนินมันหักมีมองดูลในตามันก็รู้ มันพิมพ์แทงตาฟังทั้งหูมันก็ทิ่มแทงหูอากับกิริยาที่แสดงออกมามันมีแต่เป็นค่าสิทธิ์ของธรรมของธรรมในวงของผู้ปฏิบัติแล้วจะเอามาผลนิพพานมาจากอะไรสิ่งอ่านี้เป็นความผิดพลาดอันเป็นเรื่องของเหตุทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของธรรมนี่ที่มันน่าวิตกอันหนึง่งขอให้พากันพิจารณาเอาให้เห็นพากิจใจของเราตัวผิดมันก็อยู่ที่ตรงนี้เราแก้กันลงไปที่ตรงนี้แก้ไม่ได้พระเจ้าไม่สอนให้แก้ฝึกทรมานไม่ได้พระเจ้าไม่สอนให้ฝึกทรมาน ท่านผู้ที่บุดพ้นไปแล้ววิเศษวิโสเหล่านั้นมีแต่ท่านผู้ได้รับการสุกผลอุรมมาแล้วทั้งนั้นได้ผลเป็นที่พอใจและพอพระไทยมาเต็มเมต็ดเต็มหมน่วยแล้วจริงได้มาสอนเหล่าธรรมะนี้ไม่ใช่ธรรมะโมฆะนอกจากคนผู้ปฏิบัติธรรมจะเป็นโมคฆะสำหรับตัวเองเท่านั้นนั้นก็ช่วยไม่ได้จะทําไงพอเราเวลานี้เราไม่ได้ตั้งหน้าต่งตางๆมาเป็นโมคฆะสําหรับเราเนี่นะเราตั้งหน้าต่งตางๆมาเพื่อจะบรรจุธรรมเข้าสู่ใจให้เต็หมหัวใจแล้วไปอย่างหายห่วง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 กล้าขึ้นสู่เวทีที่ต่อกันกันแล้วใครจะไปเผเลอไปเดินเลิเลเลเลเลเกเผยสติอยู่ได้ถูกนอกตายเลยนี่ก็เหมือนกันเรากล้าเข้าสู่เวทีมาพุทธปฏิบัติตัวเพื่อความเป็นคนดีมีสง่าราศีเป็นอย่างน้อยเพื่อความร่มเย็นไป็นจุปันใจเป็นอย่างน้อยเพื่อความหลุดพ้นทุกเป็นจุดสำคัญสำหรับเราที่จะ ไม่มีอะไรติดพันขึ้นชื่อว่าสิ่งที่บีบบังคับภายในจิตใจแล้วนะให้เหลือแต่เอกกิจเอกธรรมล้วนๆเป็นอิสระเต็มตัวการประกอบความเพียรจึงต้องในเข้มข้นให้ถึงขั้นถึงผมที่ควรจะรู้จะเห็นยังไงก็ปิดไม่อยู่เรื่องเหล่านี้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้พิสูจน์ได้ชาวบ้านชาวเมืองเขาเข า, ขาไม่มีทางที่จะปฏิพิสูจน์ได้ในเรื่องความทุกข์ ความลำบากระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบและวิธีการที่จะดีลบหลีกปิดตัวหรือหลบหมัดหลบเพลงต่อยของกิเลสก็เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะพึงสังสมหรือรีบเร่ขงขวนขวายสติปัญญาศรัทธาความเพียรตนให้แก่กล้าสามารถขึ้นไปเพื่อทันกับพลมายาของกิเลสจนกระทั่งถึงเอากิเลสให้ม้วนเสื่อลงไปเห็นประจักษ์ภายในจิตใจมีผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นเป็นสำคัญมากนี่เล่าก็เป็นผู้ปฏิบัติไม่ใช่หรือ นี่เป็นอะไรเราไม่ต้องกลัวเราจะไปคาดอาดีตอนาคตเข้ามายุ่งอย่างมุญบายนะถ้าคาดมาเพื่อเป็นผลลบยาอืส่วนมากมักจะเป็นผลลบคาดแต่ทั้งอดีตที่ผ่านมาแล้วก็เป็นผลลบคาดอนาคตก็เป็นผลลบผลลบมาเป็นคาดศิ์ต่อตัวเราเองคือจิตใจนั่นแหละมันสร้างเหตุการณ์ขึ้นด้วยวิธีต่างๆแล้วก็ับมา อันตันใจตัวเราเองเป็นทุกข์ในตัวเราเองเพราะความไม่รอบคอบในเหตุการณ์ที่กิจชิตขึ้นเนี่สําคัญเพราะนั้นจึงต้องระ ง, งับอนาคตยังไม่มาถึงอย่าไปยุ่งอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านมาแล้วหนักเบาขนาดไหนผ่านมาแล้วปัจจุบันนี้กิจเป็นยังไงเวลานี้มันคิดเรื่องหาเรื่องอะไรหาเรื่องอันใดมาายุแย่ก่อกวรเราให้เกิดความทุกข์เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาและเหมือนอย่างมันจะเป็นไปข้างหน้าอีกถ้าเราไม่รอบคอบในปัจจุบันนี้แล้วข้างหน้าน ตัวนี้แหละตัวที่จะไปก่อเหตุก่อเคราะกรรมาทั้งหลายให้เราได้แบกได้หามอีกเราต้องพิจารณาให้ทันกับเหตุการณ์ของของจิตนี่แหละชื่อว่าผู้ประกอบความภาคเพียนนะเมื่อถึงขั้นเผลนแล้วอย่างไงก็เพลนถึงขั้นต่อสู้ตะเกียบตะกายก็ต้องตะเกียบตะกายทกุก็ยอมรับว่าทุกเอาแต่ถึงเป็นถึงตายก็ตายด้วยความภาคเพียนเป็นอะไรไป ตายอย่างอื่นโรคตากันเกลื่อนหมดหมดหาช่องว่างไม่ได้เลยว่าไม่มีปา่าช้าของสัตว์แม้ที่สุดในร่างกายเรานี้ก็มีปา่าช้าของสัดเต็มไปหมดภายในมีว่างไหมเราจะไปอะไรกับตายอ่ะเอาให้มันเห็นในสนามลบนี่ผู้ปฏิบัติต้องให้เป็นอย่างนั้นเฮ้ยิงให้จังให้เด็ดให้เดียวในอันใดที่เป็นผลบวกให้เด็ดเดียวอันใดที่เป็นผลลบยาอย่าไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวเกอะ ให้เชื่อศาสดาศาสนาทรงดำเนินมาแล้วสิ่งใดทีค่ควรกล้าให้กล้าสิ่งใดที่ควรกลัวอย่าหารให้ให้กล้าตามตามครูกลัวตามครูแล้วจะเห็นสิ่งที่พึงหวังดังที่ครูสอนไว้ทุกแง่ทุก ม, กมุมเนี่อละกันอะไรทำเย่ามาสมควรือเพียงแค่หนอเหนื่อยแล้ว แทนที่จะ ป, ประกาศศาสนาแล้วไปตื่นโลกแล้วล่ะต้หมดท่าแล้วมนันก็มาพูดให้นลวงฟังวันนั้นหมออะไรไม่รู้แล้วท่านหมอนิกรก็รู้มั้งอะท่านนิกรนะ่ะหมออะไรที่มาจากเมืองนอกมามัานว่าจะไปหาท่านไปเปล่าไม่รู้เมื่อกี่อาทิตย์มานี่นาก็เคยไปว่าไปอยู่เมืองนอกอนะ มาพูดถึงเรื่องพระให้ฟังจะเป็นพูดอย่างเสียงเราหรือว่าเป็นพูดตามความรู้ึกขความานาจพูดเป็นลักษณะยกยอบังอะไรบ้างไปทำหนั น, นในสิ่งที่มันไม่น่ายกยานั่นเช่นหุงต้มเองกินทำอะไรกินเองเันฟังสิแล้วขับขี่รถไปจ่ายตลาดเอง ถ้าไม่ทำก็ไม่มีใครจะทําให้เอาอันนี้มามาอวดมาอ้างมามีขวางมาต้านทานแล้วมันจะไปต้านทานขึ้นยังไงนอกจากมันขายสองชั้นเท่านั้นก็ไม่มือ้อไม่มีใครทําก็จะไปทํำไมเนี่ไปประกาศหาอะไรอย่างนั้นเนี่ยอันโตวุฒะอันโตประกาสามาประก ะ, ป ะ, กะแปลว่าอะไรอื อันตวุษ t h เก็บไว้ภายในกุฏิอาหารไม่สมควรที่จะสมควรไม่สมควรเก็บนะอันตบุษ t h หุงต้มให้สุกภายในกุฏินั่นไม่ควรสามประกะหุงต้มเองไม่ควรนั่นอัสามประเภทนี้ไปยังไง น, น, นี่พระบินายเนี่ยองศาจลาว่าอย่างนี้ อาจจะให้ว่างให้เรถามเราเราโอ้ไม่ไม่นิ้ใชย่ไม่ได้ใช้อะไรวะไม่ได้ใช้เราบอกนีเลยเรื่องของใครของเราไมนได้ให้อะไรวะฟังไม่เล่นด้วยเบอกอี้ถ้าไม่ทําก็ไม่คาดว่จะทาให้ผมให้ฉันเละเขาก็ไปทางานของเขาเนี่ย จะไปทําไมสถานที่ไม่ควรอยู่จะไปอยู่ทําไมเนี่ยสถานที่ไม่ควรไปไปทําไมเนี่ยมันก็รู้กันอยู่นั่นพระพดาไม่ได้สอนให้คนให้พระอดตายนีน ะ, ะเาราไปหาเรื่องอะไรพวกเราที่ไปพวกอื่นเราก็ไม่พ่ว่าได้ถึงใจะเรียนบงศาสนาเดียวกันก็ยังมีพรหนักผ่อนเบา ถ้าอย่างพวกเรานี่ไปไปทำนั้นน้ำแม่อะไรก็ตามมันก็ไม่เนอกเหนือไปจากโลกามิตรสักาการูปุสังหันตินะตายมันตายพอเหยื่อล่อราบสักการะย่อมฆ่าบูดผู้ง่เสียท่นานะเหยื่อแปรออกสักาการูปุสังหันติราบสักการะย่อมฆ่าบูดผู้โงูขาวเสีย จะเลืองอะนี้ไม่ไเรียกว่าโลแกนมิจะเรียกว่าไงตั้งก็ไปตื่นอซีตื่นสีตื่นแสงตื่นอะไรไปไม่รู้กี่ด้านกี่ทางนะลืมเนื้อดืมตัวไปสุดท้ายเราไปตื่นแบบหลังลายแนะบบหลังลายคืออะไรกดด่านนั่นเขามาพิมพ์เป็นหลังหลายๆายแล้วเขาว่างเงินว่างเงินนั่นเป็นบ้าไปนั่น ก็เห็นกันอยู่นั่นลังหลายๆนั่นก็ทําอะไรก็ได้แต่ไอ้ปังมันอยังลายอยู่มันก็เป็นไอ้ปังอย่งนี้อย่างไงมันจะเป็นเทวาดาที่ตรงไหนเงี้ปังปังลังหลายๆสมมุติกันไว้อย่างนั้นออกาศัยกันไปก็ให้รู้ว่าอาศัยก็จะเป็นบ้าหรือจะเกินเป็นผลที่เพศนี้ไม่ใช่เพศเป็นบ้านี่นะเราพูดเพศนี้ต่างหาเพศที่ควรจะไปพิจารณาให้รู้เรื่องรู้เรา ขาดความนิยมเราเมอามวลบุหรี่เลยใครจะไปสูบไม่ได้เน้นเฉียวจะตายไปกิ๊มทับเพล็กือกิ่บได้สินะกระกดาษจะไปกิ๊บ ม, มันใช้เป็นตามสมมติยมไปในโลกในองสาศเขาเคยใช้กันมาอย่างนั้นแต่ไม่ไม่ไ ทำทำไมบอกว่าให้ไปหลงจนลืมเนื้อลืมตัวถึงขนาดนั้นนี่ผู้มีขอบเข็ดมันควรจะพิจารณาอย่างนี้นว่า ง, างั้นต่างหากนะเรื่องของโลกของธรรมมันต่างกันนั่นดูนี่เงียบเล้ว